สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้บมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องสั้นๆค่ะเรื่องแรกเลยจากทางด้านของแฟนเพจบนเฟ e บุ o กพระเจอผีนะคะบอกว่าอยากเล่าประสบการณ์ผีที่เจอในโรงพยาบาลมาให้ฟังกันเป็นเรื่องของคุณแม่ได้เข้าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดจังหวัดหนึ่งก็ละกันนะคะเมื่อเดือนเมษายนปีรเพราะว่ามีอาการเดินไม่ได้อย่างฉับพลัน ซึ่งในตอนแรกก็ได้ไปนอนอยู่ที่ตึกกระดูกห้องรวมกันเป็นชั้นสาเพื่อรอฟังผลตรวจนะคะโดยระยะเวลาผ่านมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ววันนั้นดิฉันกับแม่ก็พากันสวดมนต์เย็นญาติผู้ป่วยอื่นๆก็เดินไปเดินมาตามปกติอยู่ๆคุณแม่ก็รองขึ้นมาบอกว่าเดินระวังหน่อยค่ะเดี๋ยวจะชนพระด้วยความสงสัยก็เลยถามไปว่าพระอยู่ไหนอะแม่ท่านนั่งยองๆกินแกงอ่อมปลาดุก ใครไม่รู้ทำหล่นไว้ที่พื้นปลายเตียงแม่นี่เองตกใจค่ะพอได้ยินแบบนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกแหละนะคะเพราะว่ามองหาพระก็มีเห็นมีซักรูปแม่สติดีมากๆเลยก็ขอยืนยันไว้ตรงนั้นว่าตอนนั้นเนี่ยแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะก็เลยพูดให้แม่สบายใจไปว่าแม่ตาฝาดไปมั้ง หลังจากสวดมนต์เสร็จแม่ว่าพรุ่งนี้เช้าซื้ออาหารมาวางไว้ระเบียงให้พระรูปนั้นด้วยแม่ก็ยำ้ำนะคะดิฉันก็ทำตามที่แม่ขอแล้วก็ตักบาตรให้เขาด้วยแล้วก็พนมมือพูดในใจว่าอย่ามาให้แม่เห็นอีกเพราะเราไม่รู้จักกันเย็นมานั้นก็สวดมนต์เหมือนเคยถึงตอนจะอุทิศบุญแม่ก็พูดขึ้นว่านั่นๆๆพระองค์เดิมเดินมาอีกแล้ว เป็นพระที่สบงจีวรสกปรก ข, ขาดๆแล้วก็มีผ้าก๊อตสีขาวติดอยู่ที่หัวด้วยท่านเองก็นั่งยองๆพร้อมกับเนร น, น้อยหนึ่งรูปและชายเสื้อผ้ามอมแมมอีก3าคนนะคะนั่งเรียงกันเหมือนขอทานที่ข้างทางเดินชั้นหนึ่งละค่ะคงจะกลัวคนผ่านไปผ่านมาเดินเหยียบเพราะว่านั่งแอบชิดติดริมทางเดินที่มีราวเหล็กกั้นอยู่ ด้วยความเป็นห่วงแม่ที่ป่วยอยู่ก็เลยพูดกับแม่ไปบอกว่าตอนนี้เนี่ยแม่อยู่ชั้น3มนะให้แม่ดึงจิตกลับคืนมาอยู่กับตัวเดี๋ยวนี้เราช่วยกันสวดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แม่แกก็ทําตามอย่างว่าง่ายนะคะซึ่งวันต่อมาหมอก็เรียกเจ้าของเรื่องเนี่ยไปคุยแล้วก็แจ้งว่าแม่นี่เป็นมะเร็งในกระดูกนะจะต้องย้ายไปอยู่ตึกอายุรกรรมรักษาตัวอยู่พักใหญ่นะคะก็เข้าๆออกๆ อ, อ, อ, อ, อยู่โรงพยาบาลหลายครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะก็ได้ไปอยู่ที่ห้องพิเศษที่ตึก8ชั้น4เป็นห้องริมสุดซึ่งชั้นนี้ทางโรงพยาบาลกําลังจะเปลี่ยนแผานากไปเป็นหูคอจมูกก็เลยเริ่มจะเคลียร์ผู้ป่วยไปบ้างทั้งชั้นก็เลยเหลืออยู่แค่2ห้องเท่านั้นนะคะก็คือห้องพยาบาลจะอยู่ต้นๆทางใกล้กับลิฟท์ ตกตอนเย็นประมาณ6โมงครึ่งค่ะของวันนั้นอากาศนี่อึมครึมยังไงชอบกลเจ้าของเรื่องบอกว่าเดี๋ยวฉันไม่อยากจะทิ้งขยะในห้องก็เลยเดินไปทิ้งที่ตรงบันไดหนีไฟซึ่งอยู่ริมห้องเรานั่นเองทันใดนั้นก็เจอเด็กผู้หญิงผมสั้นคือหน้าดำมากโผล่มาแค่ครึ่งตัวเหมือนจ้าเอ๋แล้วก็วูบถอยไปจากห้องเยื้องกันห้องเดียวนั้นนะคะทาให้รู้สึกตะลึง เย็นว่าไปถึงถ่ายสันหลังสะท้านขนลุกตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่ก็ต้องแข็งใจเดินไปดูว่าห้องนั้นเนี่ยมันมีอะไรเพื่อความแน่ใจแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือห้องนั้นถูกเก็บเรียบร้อยมากไม่มีใครอยู่เลยก็เลยรีบสาวเท้าเดินเข้าห้องตัวเองชวนแม่สวดมนต์ไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังกลัวแม่คิดมากนะคะจากนั้นก็อยู่ในโรงพยาบาลแค่ไม่กี่วันก็ออกมาครั้งสุดท้ายคุณแม่เกล็ดเลือดต่ำตัวช้ำเป็นจ้ ำ, จำ ถึงเข้าโรงพยาบาลอีกรอบและเป็นครั้งสุดท้ายที่เที่ยวมาโรงพยาบาลตลอดระยะเวลา6เดือนครึ่งคุณแม่ก็จากไปไปเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามความต้องการของท่านนี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่นงลักษ์นะคะยังไงเองบีแล้วก็ชาวพระเจอผีขอแสดงความเสียใจที่พี่นงลักษ์นะคะต้องสูญเสียคุณแม่ผู้ที่อันเป็นที่รัก ยิ่งที่สุดของชีวิตแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะที่มีเจตจำนงต้องการไปเป็นอาจา ร, รย์ใหญ่เพื่อที่จะให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยได้ศึกษาร่างกายของมนุษย์เพื่อทำการรักษาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปนะคะ มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องสั้นจากคุณเมวดีค่ะที่ส่งเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณบีเมติดตามพระเจอผีมาได้สักพักแล้วค่ะวันไหนไม่ได้ฟังนี่นอนไม่หลับสงสัยจะติดเสียงคุณบีแล้วนะคะวันนี้เมก็เลยจะเราอ่าจะเล่าเรื่องที่พบเจอกันตอนวันที่คุณยายเสียเรื่ององเรื่องคือคุณเมเนี่ยมีหลานชายตอนนั้น อายุน่าจะขวบกว่าๆกาลังหัดพูดแล้วคุณยายของคุณเมย์เนี่ยก็รักแล้วก็สงสารหลานคนนี้มากเพราะว่าหลานเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่นะคะคุณเมย์คุณแม่ของคุณเมย์เนี่ยก็เลยเอามาเลี้ยงเองทีนี้เนี่ยวันที่คุณยายเสียหลานของคุณเมย์เนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่สบายแล้วค่ะงอแงส่วนคุณแม่ก็กําลังยุ่งอยู่กับการเตรียมงานแล้วก็เดินเรื่องที่อําเภอคุณเมย์ก็ได้รับหน้าที่ต้องเลี้ยงหลานนะคะ ตลอดทั้งวันคือหลานไม่ยอมปล่อยเลยค่ะต้องอุ้มตลอดเวลาเวลานอนยังสะดุ้งคือตอนนั้นเนี่ยคุณเมงุดหงิดเหมือนกัน b บเองก็เข้าใจนะคะเข้าใจความรู้สึกว่าหดหงิด ห, หลานไม่หลับไม่นอนหดหงิดที่ไม่เด็กแบบงองแงนี่มันเป็นยังไงเพราะว่าเบนก็มีหลานชายู่2คนคือเลี้ยงมาตั้งแต่กเกิดเลยนะคะก็เลยรู้ว่าเป็นยังไงความหดหงิดเด็กเนี่ยนะคะ ทีนี้คุณเมย์เองก็ต้องคอยอุ้มคอยโโหลานอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณเมย์ก็ได้แต่โทรตามคุณแม่บอกว่าจะเสร็จเมื่อไหร่น้องแดนร้องไห้ไม่ยอมหยุดเลยแม่ก็เลยต้องอุ้มตลอดถ้าปล่อยนี่ก็จะร้องบอกกลัวกลัวตลอดแม่รีบกลับมานะก็เป็นทั้งวันเลยล่ะค่ะจนแม่กลับมาน้องแดนก็ดีขึ้นก็มีวิ่งเล่นได้ไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณเมก็เลยถามแม่ว่าทําไมน้องแดนไม่เห็นเหมือนตอนที่อยู่กับเมย์เลยอะ่ะ คุณแม่ก็เลยบอกว่าตอนที่เดินทางกลับมาเนี่ยคุยกับลุงว่าน้องแดนทำไมร้องไห้งองแงบอกกลัวกลัวอยู่ได้ลุงบอกแม่ว่าไม่ใช่ยายมาหยอกมาเล่นกับแดนหรอลองจุดทูบบอกยายซิพอคุณแม่กลับมาถึงค่ะก็รีบไปจุดทูบบอกยายว่าถ้ามาแกล้งน้องแดนให้งองแงจะพาน้องแดนกลับบ้านนะ หลังจากนั้นนะคะน้องแดนก็ดีขึ้นเลิกงองแงวิ่งเล่นเป็นปกติหัวราอสนุกสนานเลยก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่ยายจะเสียนะคะพี่ชายของคุณเมย์ค่ะก็ได้เสียระหว่างที่กำลังจะเคลื่อนศพไปที่วัดเนี่ยอยู่ดีๆนะน้องแด น, นซึ่งเป็นหลานเนี่ยยังเด็กอยู่เลยก็โบกมือบา ย, บาย คุณแม่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊พี่ชายเมย์จะบอกน้องแดนว่าลุงไปแล้วนะน้องแดนแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่พี่ชายของคุณเมยังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นคนที่ช่วยเลี้ยงน้องแดนด้วยนะคะเมยก็เลยรู้สึกว่าพี่ชายของเมย์เนี่ยรักน้องแดนมากไม่ต่างอะไรกับคุณยายเลยนะคะก็น่าจะเป็นไปได้นะคุณเมย์ถ้าหากว่าให้บีเอาความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยนะคะคุณยายก็อาจจะผูกพันกับน้องแดนด้วย หรือว่าจะเป็นคุณลุงด้วยนะคะคุณลุงก็อาจจะผูกพันกับน้องแดนด้วยนะคะด้วยความที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ประกอบกับด้วยความที่น้องแดนนี่ยังเป็นเด็กอยู่ อาจจะเป็นดวงจิตที่ยังบริสุทธิ์อยู่ก็อาจจะสามารถที่จะมองเห็นกันได้สื่อสารถึงกันได้อะไรประมาณนี้นะคะยังไงแล้วก็ขอแสดงความเสียใจยกับพี่ชายของคุณเมย์แล้วก็คุณยายของคุณเมย์ด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็ขอบพระคุณสําหรับเรื่องเล่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องสั้นๆแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะส่งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวบีจะนํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับฟังกันทางช่องแชนเนลพระเจอผีใน YouTube แล้วก็ทาง Facebook Facebook ด้วยทีนี้มากันอีกเรื่องหนึ่งค่ะจากคุณวิจิตรานะคะทาง Facebook แฟนเพจส่งเรื่องมาให้บีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังกันด้วยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณ 3-4 ปีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือคุณวิจิตราบอกว่าวันนั้นเนี่ยคุณป้ามาจากจังหวัดมุกดาหารมาเยี่ยมคุณย่า คุณป้านี่คือพี่สาวของแฟนนะคะแล้วก็ย่าก็คือแม่ของแฟนค่ะป้ามาทั้งทีก็อยากไปเที่ยวดูไร่ดูสวนเป็นสวนยางพาราก็พากันนั่งรถอีแตนเนี่ยนะคะเรียกว่าสนุกกันทั้งวันเลยล่ะคะ่ะช่วงนั้นกลับกันประมาณบ่าย3ามโมงเวลานั้นเนี่ยไม่ค่อยจะมีรถวิ่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่บ้านนอกกว่าคนจะกลับจากบ้านไร่หรือว่าจะกลับจากสวนกลับจากนาก็ ค, ำะคะ่ำแล้วค่ะประมาณ5้าหโมงเย็นนู่น ทีนี้พอนั่งรถไอแตนมาเรื่อยๆใกล้ถึงหมู่บ้านก็มองเห็นไกลๆนีคะว่ามีรถบรรทุกเป็นรถแม็กโฮนะคะจอดอยู่ข้า ง, างทางพอใกล้ๆเข้ามาก็จะเห็นเหมือนเหมือนขาคนเนี่ยอยู่ข้างๆรถแม็กโฮนะคะก็คือสีของขานั้นเหมือนขาของหุ่นมากเลยค่ะพอขับมาถึงตรงที่รถแม็กโฮจอดอยู่ถึงได้รู้ว่าเป็นขาของคนที่โดนทับท่อนบนและส่วนที่เหลือคือท่อนล่างซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มี ผู้คนมามุงดูหรือว่าอะไรนะคะก็คือมีแค่คุณวิจิตราแล้วก็คุณป้านะคะแล้วก็คุณย่านี่แหละที่นั่งรถอีแตนกันมานะคะก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรมาเก็บศพกันนะคะทีนี้เนี่ยก็รอเวลาอีกประมาณสัก แป๊บหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บศพไปแต่ว่าเก็บไม่หมดนะคะคือเหลือพวกเป็นเศษเนื้อเขาก็จะใช้น้ามันเผาเอาซึ่งมารู้ทีหลังว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือยายอ้อยซึ่งอยู่คนละหมู่บ้านกันหลังจากยายอ้อยตายก็มีข่าวลือมากมายแล้วค่ะว่ามาทวงจักรยานบ้างมาสิงสู่คนที่เอารถจักรยานของแกไปแล้วก็มาบอกว่าคิดถึงผัวอยากไปหาผัว จนถนนเส้นนั้นนี่ไม่มีใครกล้าผ่านตอนมืดค่ำเลยเนะียคะก็จะเลี่ยงไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งค่ะหลานของคุณวิจิตราซึ่งตอนนั้นน่าจะอยู่ซักประมาณป .6 ไปใส่เบ็ดที่ทุ่งนาไปกันกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันค่ะก็มีรุ่นน้องบ้างไปกัน 5-6 คนหลานก็ขับอาซีคันเก่งของเขาเนี่แหละโดยที่บ้านของคุณวิจิตราเนี่ยก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่สองคันค่ะ แล้วก็ปกติเนี่ยจะเป็นคนที่หากินเก่งไปแต่ละทีนี่ก็ต้องได้กบมาสัก 1-2 ึกิโลแน่นอนเลยนะคะว่าแต่รอบนี้เนี่ยคื อ, อาสายแล้วทําไมยังไม่มาสักทีแม่ก็เลยบน่นทีนี้สักเก้าโมงได้หลานก็มาหน้าซีตาโบมาเลยค่ะบอกกบก็ไม่ได้สักตัวแม่ก็เลยถามหลานว่านี่ไม่ได้ไปใส่เบ็ดกันใช่ไหมไปเล่นไพ่แน่เลยแม่ก็เลยบ่นให้ หลานๆก็เลยนั่งเงียบเป็นไปสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็บอกว่าโดนผีเย่อ้อยล็อกคือหลานเนี่ยเขาไม่รู้นะคะวา่าไม่รู้จักเย่อ้อยเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าหลาน3าคนนี้มั่นใจเลยบอกว่าขับรถแข่งกันไปสองคันกับเพื่อนพอไปถึงตรงที่เยอ่อิ้ยตายเนี่ยเห็นผู้หญิงปั่นจักรยานอยู่คันหนึ่ง ด้วยความที่เป็นเด็กดือ้อก็เลยเร่งเครื่องใส่กะจะแซงไปแต่เร่งเท่าไหร่ก็แซงไม่พ้นบิดจนจำคันเร่งเลยก็ยังแซงไม่ได้ทีนี้เนี่ยคนที่ปั่นจั ก, กรยานก็เลยหันหน้ามาแล้วก็แสยะยิ้มให้แล้วก็หายไปนะคะตรงที่ใกล้ๆจะถึงหน้าวัดป่าพอเห็นอย่างนั้นก็เลยไม่ไปละใส่บง่งใส่เบ็ดไปนอนค้างบ้านญาติที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นทางผ่านก่อนที่จะถึงทุ่งนาของคุณวิจิตราเนี่ยนะคะหลังจากนั้นค่ะ หลานคนนี้ก็ไม่ไปทุ่งนาไม่ไปใส่เบ็ดอีกเลยต่อมาเรื่องผีแออ้อยก็เริ่มเงียบลงไปบ้างแล้วจนถึงหน้าเกี่ยวข้าวลุงก็ลงมาจากกรุงเทพกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อพี่เป้ ลุงนนท์กับพี่เป้เนี่ยตั้งใจว่าจะไปนอนอยู่ที่ทุ่งนาไปเกี่ยวข้าวนะคะแล้วพี่เป้แกก็มีกีตาร์มาตัวหนึ่งด้วยคุณวิจิตราก็หอบข้าวหอบของมานอนนากัน4ี่คนมีคุณวิจิตราเองมีแฟนคุณวิจิตรามีลุงนนท์แล้วก็มีพี่เป้นะคะนอนคืนแรกบรรยากาศดีมากค่ะเล่นกีตาร์ไป โ, โหอากาศหนาวด้วยเนาะคลอแสงจันแสงเดือนกันไปเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมานะคะ ที่หมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยก็คงจะปิดหมดแล้วอยากเป๊กไงก็เลยอยากจะกินก็ต้องเข้าไปอีกหมู่บ้านนึงที่เป็นหมู่บ้านใหญ่กว่านะคะแฟนของคุณวิจิตราค่ะก็เลยบอกไปกับลุงนนท์บอกว่าผมไม่ไปนะผมกลัวผีเย่อิอยพี่เป้ก็เลยเอ่ยขึ้นบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปเองผีเยอ่อิ่ยออกมาหลอกเลยไม่กลัวหรอกพี่เจอมาเยอะแล้วผีเนี่ยถ้าแน่จริงก็ออกมาให้เจอกันเลยเดี๋ยวจะได้ขอเลขเด็ดสักสามตัวว่าแล้วพี่เป้ก็บึ่งมอไซไปเลยละค่ะ ทุกคนก็เลยนอนรอฟังเสียงรถจนถึงเช้าเลยนะคะก็ไม่กลับมาพอแม่ของแฟนมาถึงก็บอกกับลุงนนท์บอกว่าวันนี้ไอ้เป้จะกลับกรุงเทพนะมันเอากีต้าไปขายแล้วได้เงินมาห้าร้อยป่านนี้คงให้พ่อมึงไปส่งขึ้นรถแล้วมัง้งลุงนนท์ก็เลยบอกเอา้าเวรกรรมสงสัยโดนหนักเลยสมน้ำหน้าเล่นอะไรไม่เข้าเรื่องลุงนนท์กล่าว เรื่องที่เจอก็ประมาณนี้นะคะผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยด้วยแต่รับรองว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะคุณวิจิตราชื่อเล่นว่าคุณหญิงนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสําหรับเรื่องเล่าที่ส่งเข้ามาให้บีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังทางพระเจอผีได้รับฟังกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แฟนเพจพระเจอผีส่งเข้ามาทาง Facebook นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องให้กับท่านอื่นๆได้ฟังแบบนี้โดยสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเฟซ เฟซบกแฟนเพจพระเจอผีได้เรื่องก็จะถูกนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังทางช n แนลบน YouTube นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังคลิปของเราด้วยพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ